เวลาโอกาสต่อไปนี้ก็เป็นเวลาที่พวกเราเราผู้ศกษาสนิกชนผู้สนใจใครในธรรมทั้งหลายจะได้สระรับฟังการบรรยายธรรมะและก็เป็นเวลาที่พวกเราทุกท่านจะได้ปฏิบัติธรรมะไปด้วยเพื่อจะให้ เ, เป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ในการฟังในการปฏิบัติของพวกเราองค์สมเด็จพระสัมมาสมพุทธเจ้าจัดไว้ว่าความตั้งใจนั้นเป็นประธานเป็นประธานในการที่เราจะทำอะไรแตแล้วแต่ถ้าเราตั้งใจไว้ในทางที่ถูกผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ก็จะเกิดขึ้น จิตใจของพวกเราถ้าเราตั้งใจไว้ผิดผลเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับจิตใจของเราอย่างใหญ่หลวงเหมือนกันฉะนั้นในเ่วนี้เราถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เราจะตั้งใจฟังธรรมปฏิบัติธรรมเพื่อจะน้อมดันมาปรับปรุงจิตใจของเราให้มีความเจริญ รุ่งเมืองราบลื่นก้าวหน้าไปสู่จุดหมายปลายทางคือความพ้นทุกข์หลักการในทางพระพุทธศาสนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้พวกเราทุกท่านปฏิบัติตนเองให้เดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์นั่นเป็นจุดหมายอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าของเรา อ่ากลัดเป็นคำสอนยายเพราะว่าการที่เรามีความตั้งใจอย่างนั้นหรือว่าเป็นผู้มีความตั้งใจถูกต้องตั้งใจไว้ในที่สูงเมื่อเราทําอย่างไรเราก็ได้อย่างนั้นเราหว่านพืชชนิดใดเราก็ย่อมได้ผลชนิดนั้นเราตั้งตั้งใจจะทําอะไรก็แล้วแต่เมื่อเราตั้งใจจะทําสิ่งใดเราต้องได้สิ่งนั้น เมือนแต่นในช่วงนี้เราตั้งใจจะทําความสงบให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราเราถือว่าความสงบนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นกาลังจิตที่จะเสรมให้มีปัญญาแก่กล้าแหลมคมขึ้นมาถ้าจิตไม่สงบแล้วก็เหมือนคนไม่มีกําลังเหมือนอาวุธที่ไม่มีคม มันต่ใช้ประโยชน์ได้น้อยฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ได้สรัสคำสอนให้พวกเราดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องมีศีลเป็นพื้นฐานมีสมาธิคือความตั้งใจมั่นชอบเป็นธรรมกลางมีปัญญายาณเป็นที่สิ้นตุดถ้าเราไมาด่ดำเนินตามนี้ไม่ปฏิบัติตามนี้ ก็แสดงว่าการกระทำของเรานั้นจะไม่สมบูรณ์แบบเลยเราจะทำกี่ปีกีชาติมันก็ยังไม่สมบูรณ์แบบอยู่นั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งใจไว้ผิดแล้วเหมือนคนหลงทางคนหลงทางถ้าไม่ยอมจับมาในทางที่มันถูกสมมติว่ามีคนบอกว่าคุณอย่าไปทางนี้นะมันไม่ใช่ถูกทางแต่เราก็ตื้นลั่นไป ผลสุดท้ายมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะฉะ น, นั้นเมื่อจิตใจของเราเอยคิดในทางที่ผิดเราต้องตัดจิตของเราในทางที่ถูกเวลาทํำสมาธิไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะคิดสิ่งหนึ่งประการใดเราต้องลดต้องลดต้องละความรู้สึกนิกคิดที่เป็นภัยต่อตัวเองเือคิดแล้ว ไม่ได้กอสร้างให้เกิดมีปัญญาเลยยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งกุื้มใจยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งเศร้าใจยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งเสียใจยิ่งคิดเท่าไหร่ยิ่งทําให้เรานี่หนักใจลงไปเรื่อยๆบุ่นวายว้ายวุ่นไปเรื่อยความคิดอันนี้เป็นความคิดที่มีพิษมีภัยต่อจิตต่อใจของพวกเราเหตุนั้นเมื่อเราต้องการอยากให้จิตใจของเรามั่นคง มีความหนักแน่นไม่งนนนอนแงนคอนแพนต่อสิ่งใดๆเราต้องตั้งใจไว้เสมอว่าขณะนี้ข้าพระเจ้ากำลังทําจุดให้มั่นคงให้เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นไม่งนนนนอนแย่นคอนแพนต่ออารมณ์ใดๆทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นมาในใจของข้าพระเจ้าในขณะ น, นี้ถึงแม้จะเกิดขึ้นมาเราก็ต้องละเราก็ต้องวางต้องวางต้องเบน ไม่ควรที่จะไปมัวเมาในอารมณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเพราะมันเป็นมัญจาของสังขารสร้างขึ้นมาขณะหนึ่งตามธรรมชาติของเขาแล้วก็ก็ดับไปเกิดขึ้นมาขณะหนึ่งแล้วก็าก็ตั้งอยู่ดับไปสิ่งที่เกิดขึ้ น, นั้นไม่ใช่ของใครๆทั้งนั้นความรู้สึกนึกคิดนั้นไม่ใช่ของใครๆทั้งนั้นถ้าเราไม่ไปหลงเอาว่าเป็นของเรา สิ่งเหล่านั้นกระทบกันแล้วตั้งอยู่ก็เกิดเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นไม่มีใครหรอกทจะไปปรุงไปแก่หรอมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นแต่เราจะต้องฝึกติดของเราจะมีให้รู้ให้เข้าใจหมายถึงว่าให้รู้เท่าเอาทันในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจิตใจของเราจะรู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นมาได้จิตใจต้องไม่มัวเมาในอดีตที่ผ่านมาอย่าไปหลงเพลิดเพลิน ดังมาหลายนาทีแล้วสองสามนาทีแต่เรายังไปเพิ่มคนต่อเรื่องอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องใหญ่ขนาดไหนก็นแล้วแต่เราไม่ควรจะไปเพิ่มเคอร์นในสิ่งที่เป็นอดีตผ่านมาแล้วและไม่ควรจะไปบัวเบาหลงไหลในอารมณ์อนาคตที่ยังมาไม่ถึงอดีตกัอนาคตปรากฏยู่ในปัจจุบันปัจจุบันคือบัญจาเท่านั้นไม่ใช่อะไรมากนะักอย่าไปหลงในสิ่งเท่านั่น เราต้องรู้จักละรู้จักวางแต่เลิกละวางได้ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องเจริญสติให้รู้เท่าเอาทันไม่ว่าความเคลื่อนไหวทางจิตใจจะมาในประเทศไหนกรณีใดจะมาในทางดีทางล้ายใดๆก็แล้วแต่มาในทางบาปทางบุญใดๆก็แล้วแต่ในช่วง น, นี้เราต้องหยุดไปจอดอไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้บุญไม่ต้องไม่ต้องกลัว ติดของเราภาวนาใหม่ทําจิตใจของเราให้หลุดพ้นจากความยินดีน ย, นยินได้อยิรายนั่นนั่นแหะเป็นตัวบุญอันยิ่งใหญ่เป็นบุญอันสูงสุดที่สุดเป็นบุญที่จะนําพวกเราเข้าสู่พระนิพพานไม่ใช่บุญที่จะทําให้เราเยน็นวายใจเกิดในวัฏสงสารอันนี้ภาวนาใหม่ดังนั้นจึงเปน็นหลักที่สําคัญภาวนาใหม่นั้นคือเราจเจริญเข้ามาภาวนาที่จะเรียนสติของเราให้ต่อเนื่องกันอย่ให้ขาดสาย เมื่ออารมณ์อะไรจอมขึ้นมาละจ้ะไม่ว่าจะอารมณ์นั้นแต่ทําคิดแล้วไปเราเพลิดเพ ล, เพลินโอ้ดีอกีดีใจเราได้ไปที่โน่นจะได้ไปที่นี่โดดวาย้ามาโดด ม, ม, มันก็ไม่สงบเลมันจะไม่สงบมันเป็นสังขาตรตึงแต่เป็นปญญาที่สังขารอ่ะเป็นยาที่สังขารคุดไปในทางที่ไม่ดีแค่เวลานั่งเพลินๆไปหน่อยจิตมันจดคิดอิจฉาลิขิยา แทนคนโน่นแทนคนนี้ปล่อยวางยังไม่ลงทั้งๆั้งที่มานั่งอยู่ในวัดแล้วมานั่งปฏิบัติหลับหูหลับตาอยู่ตรงนี้ยังปล่อยจิตของเราให้ไปเทียบแทนกับคนนั้นอ่ครับแทนกับคนนี้หงุดหงิดกับคนโน่นติดคาลิษยาคนโน่นคนนี้ทั้งคนนั้นธรรมจะอยู่กับเราแต่เราก็ไปสร้างขึ้นมาไปทําขึ้นมาแล้วมีประโยชน์อะไรบ้างที่เราไปคิดอย่างนั้นคิดไปในทางที่มันไร้สาระประโยชน์ อางที่กล่าวมาว่าคิดแล้วพุม่มใจเสียารเศ้าใจยิ่งคิดที่ไม่เกิดปัญญาและไปคิดทําไมมีประโยชน์อะไรความคิดอย่างนั้นมันสมควรแล้วที่เราจะต้องหรือจะปล่อยกันหรืจอจะวางกันเพราะเราเป็นนักปฏิบัติธรรมในดวงใจของเราต้องให้มีธรรมเลยไม่ใช่ว่ามานั่งหลับตาเราก็คิดแต่เรื่องโรคกวดหลงคิดตั้งแต่ตามาราคาภาวะตันหาวิทยุภาวะตันหาการเมตัาหาอย่างนั้นไม่ใช่ เราต้รู้เท่าอาชันไม่ว่ากิเลสตัวไหนจะเกิดขึ้นปัญหาตัวไหนนี่นจะตามมาเราต้องรู้เท่าอาชันแล้วะลดละสิ่งเหล่านั้นไปหัดจนให้เป็นนิสยนัยของเราคือหัดให้เป็นนิสัยเรียว่าเป็นนิสัยคนดีอ่คนดีอ่คําว่าดีนี่ไม่เอาสิ่งอื่นมาเสียบนนีะ่คือมันดีจริงจรนะิงอ่ะดีจริงจรนะิงมันคือธรรมะไม่ใช่ดีปลอมๆนะดีปลอมๆมังว่าดีที่หวังถ้าแบบนั้นตอบแทนบางสิ่งนี่ตอบแทนอยู่ อันนั้นมันยังเป็นดีปลอมอ่าดีจริงๆมันเคยทำมาดีจริงๆที่ทําแล้วสบายใจห า, าก benefit, เป็นคนคิดในทางที่มันเป็นประโยชน์ Dogs yeah. ดวงจิตดวงใจของเรามีคุณค่าอยู่แล้วอย่าไปทําลายสิ่งที่มีคุณค่าให้มันหมดเป็นข้าไปอ่าร่างกายของเราถ้าเรามองมันมีคุณค่าก็มีคุณค่าจิตใจของเราจะมองให้เคร่งที่มีคุณค่าก็มีคุณค่ามีคุณค่ายังไงถ้าเราไม่สนใจเราก็ไม่ได้มาปฏิบัติอย่างนี้ เราต้องมีใจแล้วก็มาไดมาทำาํำตามดีอย่างนี้แสดงว่าถ้าเรามองมาในทางแี่ดีกายของเราเม้่ก่อนไม่ต่างอะไรกับเรือที่เราจะอาศัยข้ามากไม่ต่างอะไรตับรถยนต์เครื่องบินที่จะนําเราไปสู่จุดหมายปลายทางมันก็มีประโยชน์เหมือนกันไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์แต่เราคิดในทางที่ว่าให้เป็นประโยชน์นะคิดในทางประโยชน์คือคิดว่าอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะนําพาเราไปสู่จุดหมายปลายทาง แต่จะไปหลงรักเขาจะไปหลงรักจะไปหลงไข่จะไปห ล, ล, ล, ลงยึดหรหลงถือแต่เราเพียงแค่อาศัยเท่านั้นว่าจายตัวนี้เสียบเหมือนแลหรือแพเรือแพหรือว่ารถยนต์ยวดยานทหาะที่จะอาศัยเขาข้ามฟากไปสู่ฝั่งโน้นคือพระนิพานเท่านั้นไม่ใช่เอามาเพื่อโอ้อวดกันไม่ใช่เอามาเพื่อจะหลงมุมงานกับตัวนี้เราเอามาเพื่อให้เป็นประโยชน์คิดไปในทางเป็นประโยชน์ดวงใจของเราเหมือนกัน เืดองจิตของเดาวนี่เราต้องมาคิดคนในทางที่เป็นเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ท่านทั้งหลายก็รู้อยู่เมื่อคิดแล้วเกิดสติเพิ่มขึ้นเกิดปัญญาเพิ่มขึ้นเกิดวิปัสสนาญาณปีชายานรู้แจ้งแจ้งแทงตลอดในรูปธรรมนามธรรมเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกได้ ว, ว่ามันเป็นเป็ในทางคิดเป็นในทางที่เป็นประโยชน์เพราะนั้นในดวงใจของเราในขณะ น, นี้เวลานี้ เราท่านทั้งหลายควรที่จะให้เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณศีลคุณธรรมคุณกรรมฐานเต็มเปี่ยมไปด้วยสติเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเมื่อสติปัญญายาณประทับอยู่ในดวงใจของเราแล้วไม่ต่างอะไรเหมือนกับเราเปิดแสงสว่างเดียวนี้หรือดวงอาทิตย์กําลังเปิดจ้าส่องแสงสว่างให้เร า, าได้เห็นกันอย่างแจ่มชัดอยู่เดียวนี้อ่าความมืดมันก็หายไปความมืดก็หายไป ทําไมถ้าหากว่าความมืดหายไปเพราะว่าขี้เมฆมันไม่มีไม่มาปิดมาบังดวงอาทิตย์ไฟแล้วก็เปิดได้อย่างเต็มที่ใช้ไฟได้เต็มที่แสงสว่างมัก็เจิดจ้าทาให้เราสามารถที่จะมองเห็นอะไรได้ทุกอย่างไม่ต่างอะไรกับดวงใจของพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากเต็มเตี่ยมไปด้วยสติปัญญาญานแล้วนะดวงใจของเราไม่เคยมืดบอดด้วยอวิชชาเลย อวิชชาที่เคยครองใจเรามาจะเป็นกี่ล้านปีก็แล้วแต่เหมือนปีแสนปีเท่าไรก็แล้วแต่แต่เมื่อเรามาสร้างดวงปัญญาให้ตั้งมั่นให้มั่นคงอยู่ในดวงจิตดวงใจของเราตลอดเวลาโดยที่ว่าไม่เลือกกอารนับเวลาคือให้มีอยู่ตลอดไม่ว่าเราจะอยู่สถากนการณ์ใดอีริยาบถใจใดดวงใจต้องมีสติปัญญาญาณควบคุมอยู่ตลอดเวลาหรือประทับอยู่ตลอดเวลา อวิชชาคือความมัวคือความมืดบอดความไม่รู้นั้นมันจะเข้ามาได้อย่างไงท่านทั้งหลายมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาแทบในดวงจิตของเราได้เพราะเรามีสิ่งหนึ่งอยู่แล้วสิ่งหนึ่งมันต้องดับไปถ้าดวงใจขาดสติขาดปัญญาญาณท่านทั้งหลายลองสังเกตดูสิว่าอะไรล่ะที่นี่มาอยู่ที่ดวงจิตของเราก็คืออวิชชาความมืดความไม่รู้จริงความไม่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างจริง พอเราเมื่อไม่เข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็วุ่นวายเท่านั้นนะ่ะไอ้วุ่นวายทุกทุกวันนี้เพราะเราไม่รู้จริงเราไม่เข้าใจในรูปธรรมนามธรรมจริงจริงเราจรึงวุ่นวายนะไอ้ที่นี่ความอาวิชชาเกิดขึ้นมาแล้วท่านทั้งหลายสังเกต ด, ดูสิเขาเคยให้จิตของเราอยู่กับกายไหมเคยให้เรารู้ตัวของเราไหมไม่รู้คนไม่รู้ตัวเองนี่ท่านทั้งหลายคนไม่รู้ตัวเองสังเกต ด, ดูสิฮนะ ลำบากไหมลำบากมากยมลำบากมากเลยคนไม่รู้ตัวเองอ่าเรานั่งอยู่นิ่งๆเราก็ไม่รู้ตัวเราใจของเราเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรก็ไม่รู้จิตใจของเรากำลังได้รับอามอรมณ์อะไรอะไรอยู่เราก็ไม่รู้เราก็ไม่เข้าใจอยือว่าไม่เข้าใจในชีวิตตัวเองเลยเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรไม่รู้ถ้ามันเป็นอย่างนี้แล้วทันทีต่างสิ่งที่จะตามมาคือความทุกข์ความวุ่นวาย ฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราให้รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ทุกอย่างทั้งภายนอกทั้งภายในนะไม่ว่าจะเคลื่อนไหวไปมาใดๆสติต้องตามรู้ตามรู้ตลอดเวลาอ่าที่รู้อยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะไรที่เรากําหนดรู้ตามอยู่ตลอดเวลาเริ่มต้นคือเรารู้เฉยๆแต่เมื่อรู้ต่อไปความรู้ตัวนี้แกร่าขึ้นมาความรู้ตัวนี้แหลมคมขึ้นมาแล้ว เขาจะแยกแยะออกเองหรือว่าโอ้อ right ันนี้สมมุติบัญญัตินะอันนี้เป็นประมัดนะอันนี้เป็นสมมุตินะอันนี้เป็นของจริงอันนี้เป็นของไม่จริงหรือจริงตามสมมุติอันนี้เป็นจริงตามประมัดเขาจะเข้าใจเมื่อเข้าใจชีวิตของเราก็ไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายไม่ทุกข์พูดไงว่าถ้ารู้จริงแล้วก็ละทุกข์ไปในตัวเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วอะไรมันเกิดขึ้นมาท่านก็ทั้งหลายก็รู้อยู่ทุกข์ไม่มีแล้วอะไรเกิดขึ้นมา ก็คือความสุขก็เกิดขึ้นมาเหมือนความ ว, าวุ่นวายไม่มีก็ความสงบเกิดขึ้นมาความสงบตั้งอยู่ได้เพราะความ ว, าวุ่นวายไม่มีแหมก็อยู่ที่ตัวเดียวกันนั่นแหละอยู่จุดเดียวกันฉะนั้นเราจะสร้างสติสร้างปัญญาตัวนี้ให้ต่อเนื่องกันเพื่ออะไรจุดหมายปลายทางเม่อใชเอามาโกะอวดกันมันจะเอาม า, อ, า, ย า, อ, มาอย่างอื่นมาใช้ย่างอื่นเอามาดับทุกข์ในใจของเราพระพุทธศาสนาสอนเรื่องดับทุกข์ทางใจ ไม่ใช่สอนเรื่องอื่นสองให้พวกเรามาปฏิบัติเพื่อดับทุกข์มุ่งไปในทางนี้ดีกว่าเราไปมัวเมาเห็นโน่นเห็นหนี่เห็นอะไรไม่ต้องอะไรแต่ดับทุกข์ในใจไม่ได้ดับทุกข์ในใจไม่ได้แล้วปฏิบัติดีิงมันก็เป็นอยู่อย่างนี้ท่นี่มันไม่ก้าวหน้านะเราสังเกตุการปฏิบัติของเราจะก้าวหน้ามาได้ก้าวหน้าไปได้นั่นเราต้องสั้งเจตุถ้าใครรู้ทุกข์ละทุกข์ได้รู้เหตุเกิทุกข์ แต่ดับเหตุมันได้รู้จักทําความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้บุคคลนั้นแหละคือผูก้กําลังก้าวหน้าไปแล้วก้าวหน้าไปสู่ที่สิ้นสุดแห่งกองทุกข์แล้วนี่เราพิสูจน์ตัวของเราได้เพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ที่เองไม่ใช่อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ใช่อยู่กับที่ไหนทั้งนั้นแต่อยู่ในดวงจิตของพวกเราทุกท่านถ้าเราค้นแล้วเราจะพบเอง เราไปเห็นเองจะเข้าใจเองเราจรึงจะเห็นว่าเวลาเราปฏิบัตินั้นอเราจรึงไม่ควรจะส่งจิตออกไปภายนอกเพราะจิตออกไปภายนอกไปสร้างภพสร้างชาติไปหาเรื่องสร้างเรื่องให้ยืดให้ยาวสาวเรียกว่าสร้างครบให้ยาวสายกให้ภพให้ยืดออกไปเรื่อยๆแต่การปฏิบัติของพวกเราหรือหน้าที่ของพวกเราเพื่อตัดสิ่งที่มันยาวมันชันเข้ามา ตัดทุตัดชาติตัดกิเลสตัณหามันลดน้อยคลอยลงให้มันสั้นเข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้มีเจตนาอย่างนั้นชาตินี้พลอยท่านทั้งหลายตั้งใจไว้เถอะตั้งใจไว้ให้หนักแน่นเลยว่าข้าพเจ้าเกิดมาเพื่อสแสวงหาความผลทุกข์ถ้าท่านไม่พ้ทุกข์ใครจะผลทุกข์เมื่อเรามีสันทัศความปอใจในใจที่จะสร้างจิตของเราให้ผลทุกข์อยู่แล้วมีความภาพเคียนพยายามไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีขอบเขตอยู่แล้ว มือน้ำํำอดน้ํำทนโดยไม่มีขอบเขตแล้วไม่ว่าอะไรจะมากระทบกับแท่แตกดันไม่เคยวันไหวอยู่กับสิ่งใดๆแล้วมีอยู่อย่างเดียวว่าถ้าจักเจ้าจะไปจุดนั้นใครจะมากระชากกระจุดกระชากลากไว้ก็ไม่อยู่จะ ต, ต้องพยายามดิ้นเดินไปหาตัวนั้นให้มันได้ความพยายามอยู่ที่ใดความสําเร็จจะอยู่ที่นั่นดิ้นรินไปสู่จุดไหนอท่านทั้งหลายเข้าใจแล้วท่านมาปฏิบัติเพื่ออะไร ท่ามานี่โน่นหมายถึงว่าความเพียนของเราตรงแก้ก้าที่สุดอ่อนทอนนิสุดที่จะมุ่งไปสู่ความผลทุกข์ดังที่กล่ามานี่เป็นปุดหมายปลายทางที่พวกเราจะทํากันอยู่ในขณะนี้ในเวลานี้ไม่ใช่เรื่องอื่นนะะเป็นเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยถ้าเราตั้งใจไว้อย่างนี้นะเราหว่านพืชที่ดีลงไปแล้วผลที่เรากได้รับขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้ออจิตใจของเรารู้สึกว่าเข้มแข็งขึ้นกว่าเมื่อวานนี้อีกเยอะ อ่าหรือจะพูดเอาเป็นสั ป, ปดาว่าสั ป, ปดาห์นี้เราปฏิบัติการทําความเพียรของเราเพิ่มขึ้นอีกเยอะรู้สึกว่าเราได้สติปัญญาเพิ่มขึ้นอีกเยอะอจิตใจของเราก็มีกําลังเพิ่มขึ้นอ่ากิเลสมันก็ลดน้อยถอยลงความฟุ้งซ่านลาคัญแต่ก่อนมันไม่เคยมาก่อควากระแทกแตกดันจิตใจของเราในช่วงนี้รู้สึกว่าลดน้อยถอยลงไปมากแล้วเราเห็นได้ชัดประจักษ์ด้วย จิตด้วยใจของเราเองสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะอ่าดูใจของเราได้สํารวจตรวดดใจตอวจิตใจของเราได้เมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แหละท่านทั้งหลายทีนี่การปฏิบัติของเรามันจะราบพื้นไปเรื่อยๆก้าวหน้าไปเรื่อยๆอย่างอดัมมาภาพได้พูดแล้วในชว่วงหนึ่งว่าความคิดอะไรถ้ามันเป็นคิดเป็นภัยตอเปล่าคิดแล้วทําให้ใจิตใจของเราละเลยท่านทั้งหลายล้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราไม่หัดตัวเองให้เป็นผู้ไปในการที่จะอ่าทำกรรมไม่ดีให้กับตัวเองคิดในทางที่ไม่ดีให้ตัวเอกับตัวเองเราต้องฝากใฝ่ในทางที่ถูกต้องสิ่งไม่ดีพุทธเจ้าเหรอสิ่ง ท, ที่ถูกต้องแล้วให้ทรงไว้ก่อนทรงไว้เพื่ออะไรทั้งหลายอ่าเพื่อจะนําดวงจิตดวงใจของเราให้ท้ามค้นจากโอคาแห่งแกงกันดานถ้าเราไม่ทรงทําไว้ในใจนี่กิเรนต์เรามาครอบครองดังที่กล่าวมาแล้ว แล้วต้องทรงคุณธรรมไว้ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเลี้ยวซ้ายแลก ว, วา่ากล่มเงยคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกสวดมนต์ไหวาพากพูดจาปลาใ้หายใจเข้าออกกระพริบตาลืมตาแปลงฟันดื่มน้ำเคี่ยวข้าวทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างแล้วต้องทำเด่งถึงบะตอนนี้เรากำลังเจริญสติกาลังเจริญปัญญากาลังปฏิบัติธรรมเป็นเวลาที่เรา จะ ต, ต้องทําประโยชน์ให้กับตนเองเป็นเวลาที่เราจะสร้างคุณธรรมมาให้เสี่อมไปจากดวงใจของพวกเรา่นระหว่ารักรักษาไาหวทํารรทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินไปแต่ละก้าวเราต้องให้สํารวจตรวจดูในการการเดินของเราการกระทําของเราว่เดินเท้าวนี้เราขาดสติไหมหายใจเข้าขณะนี้เรามีสติไหมมีปัญญาไหมหรือว่าหายใจไปแล้วก็คิดเรื่องโน้นหายใจออกมาแล้วก็คิดเรื่องนี้อยู่ ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ไม่ได้แล้วเราสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองแล้วใจของเรามันตกอยู่ในความเป็นบาปเป็นกรรมแล้วทําว่าบาปคือความทุกข์นะคนเราถ้าไม่สงบมันก็ทุกข์เท่านั้นน ะ, ะความทุกข์นําเปียบเป็นเป็นตัวบาปเป็นมโนกรรมทางใจของเราเราคิดไม่ดีมันเป็นบาปเพะบาปเกิดขึ้นมันก็ไม่สงบแล้วใครจะมาแก้บาปให้เราใครจะมาทาบุญให้เรา ใครจะมาสร้างสิ่งสร้างทําให้เรานอกจากสัวของเราเท่านั้นที่จะต้องสร้างเองทําเองเพราะนั้นถ้าจิตคิดไปในทางที่ไม่ดีนี่แล้วบอกว่า โ, โ, โอ้นี่เราสร้างบาปให้กับเราแล้วเบียดเบียนตนเองแล้วอิจฉาริษยาตัวเองแล้วข่มเหงันเองร้ายตัวเองแล้วคนอื่นไม่มาทําแต่เราทําถั่วของเราถ้าเราหัดเป็นคนสร้างบาปสร้างกรรมให้กับตัวเองอยู่อย่างนี้บ่อยๆก็คือเราสร้างความทุกข์ให้กับตนเองบ่อยๆแต่พระพุทธเจ้าสอนในพวกเราละทุกข์ แต่เรามาสร้างาทุกนะท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าให้เราปฏิบัติเพื่อทําเพื่อให้รับภบแล้วชาติไม่ต้องมาเกิดแก่เจ็บตายแต่เราก็สร้างทุกสร้างชาติอยู่ตลอดเวลาสมคัญไหมายที่ว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติถูกแล้วถ้ามันเป็นในลักษณะอย่างนั้นก็แสดงว่าการปฏิบัติการจะทำของเรามันยังไม่ทุกเมื่อไม่ถูกอย่างนี้แค่ท่านทั้งหลายเรานั่งหลับตาดูอยู่นี้แล้วก็รู้อยว่าอ๋อตอนนี้บาปอกุศลเกิดขึ้นทางใจแล้วใจของเราทศามองเรื่องอะไร หยุดพระท่านบอกว่าให้หยุดหยุดแล้วเราจะเห็นพระเราละเราจะเห็นนิพพานเมื่อท่านบอกให้หยุดแล้วก็หยุดใช่เพราเราเดินทางผิดแล้วถ้าเราไม่หยุดอะไรจะเกิดขึ้นนึกไปรู้อยู่มั น, นวุ่นวายคนอื่นเขานั่งสบายเราเนี่โอ้โหห น, นักทางใจหนักทางใจวุ่นวะวุ่นวายบางทีมาหลายวันเลยมันยังไม่ลงเลยจิตยังไม่ลงเลยกดยังมันยังลงเลยผมยังไม่ลงเลยบางทียังไม่ได้กดได้ขมเลย มัวจะมาเพิดเพลินไปเรื่อยๆคาว่านั่งตั้งใจทําสมาที่ไม่กี่นาทีแต่เราปล่อยจิตปล่อยใจเพลิดเพลินกับอารมณ์นั่นน่ะมันมากกว่าการที่เราตั้งใจทําตามสงบอมันก็ได้อย่างนั้นนะได้อย่างที่ท่านเห็นอยู่นั่นแหละนี่เราจึงมาฝึกจิตของเราให้มันแจ่มแจ้งเฉิดฉายขึ้นมาด้วยแสงสว่างสุอดวงปัญญาเข้ามาพิจารณาก็ได้ดีกว่าเราไปคิดอย่างอืน่น พิจารณาในกายะสังขานของเราลองแยกออกมาดูสิแต่ว่าคนขี้เกียจเท่านั้นนะฮะถ้าให้ว่าพิจารณารมนะโอ้ขี้เกียจจะไปเอาความสงบอย่างเดียวไปจะไปนั่งหลับสลึมสลืออยู่อย่างเดียวบางคนไปคิดอย่างนั้นนะะบางคนก็เอาไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละแต่คิดทางอื่นคิดได้ทั้งวันแต่มาพิจารณาทำนันนะทั้งนาทีก็ยังไม่ถึงเอาแล้วขี้เกียจแล้วละความเพียรไปแล้ว หมดความอดความทนแล้วหมดความเพียแรแล้วอะไรเราจะเห็นเมื่อนคนไม่มีความเพียรคนขี้เกียจสร้างความเพียรทุกมันก็ตามมาทัางทั้งหลายผู้ขี้เกียจย่อมไม่พบความสุขพระพุทธเจ้าของเราสวดไว้ผู้ขยันย่อมเป็นเจ้าของทออรัพย์อารยธรรมจะเกิขึ้นกับมาเราเกิขึ้นกับเราได้เราก็ต้องพยายามสิพยายามแล้วพยายามแล้วถ้าคนนี้เขาทํานะเขาปฏิบัติอืชั่วโมงหนึ่ง ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติยังไม่ดีพอยังไม่ดีพอหมายความว่าจิตใจไม่เคยรวมเลยไม่เคยเกิดมีปัญญายาณอะไรขึ้นมาเลยถ้าเขาทำชั่วโมงหนึ่งเราต้องทำสามชั่วโมงถ้าคนนั้นก็ทำสามชั่วโมงเราต้องทำหกชั่วโมงถ้าคนนั้นก็ทำหกชั่วโมงเราต้องทำเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเก้าชั่วโมงสิบชั่วโมงสิบสองชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมง ไม่มีเวลาไหนที่ข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติข้าพเจ้าจะไม่ทําเราต้องเพิ่มเวลาอย่างนี้เพิ่มความเพียรอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามาวันแรกหมอนั่ขึงขังเอาจริงจังนั่งตัวแข็งเป๊ะพอวันสองวันโอโยังกระผักลวกแล้วยุบลงยุบลงยุบลงอ่อนลงไปแทนที่จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะแต่ว่ามันอ่อนลงไปเรื่อยๆมาทีนแรกตั้งใจดูสถ า, า, า, านแจกันพอมาเจอทุกยิดหน่อยเอาแล้วอย่างนี้ ยุบไยังผักลวกแล้วเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงผลสุดท้ายก็ยานหอบเสือเกิดแล้วอือยากกลับแล้วเลยอยากกลับแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยู่บ้านจะดีกว่าปฏิบัติที่บ้านจะได้แม่มันอ้างมั่มดแล้วไอ้หนิอ้างมั่มดที่มันจะเลือหาเรื่องขึ้นมาอันนี้มันเจดทางแล้วทุนแต่พระพุทธเจ้าเช่นแสงขึ้นเรื่อยๆถ้าเรารู้ว่าเราจะอ่อนแอต้องให้เช้นแสงขึ้นถ้าเรารู้ว่าขี้เกียจต้องขยันขึ้น ดังที่กล่าวแล้วว่าไม่มีใครจะมายกเราไม่มีใครจะมายอรเราไม่มีใครจะมาประจุดกระชากลากเราไปไม่มีใครจะมาสอนเราไม่มีใครจะมาปรับปรุงเราได้ดีพัฒนาเราได้ดีเท่ากับจิตของเราเท่ากับตัวของเราเนี่ยเราต้องทําเองนะไม่ใช่ครูบาอาจารย์มาบังคับเราไม่ใช่อถ้าไปให้ครูบาอาจาราย์บังคับนึ่งเขาเรียกว่ามันเป็นนักปฏิบัติสมัครเล่นสมัครเล่นเฉยเฉยมันไม่ใช่จริงนะ จริงมันต้องมาสมัครทมทำจริงจังไม่ใช่มาสมัครเล่นอ่าอันนี้พเพื่เผื่อไว้เฉยๆนะฮะเผื่อ ว, ว่ามันเป็นถ้าไม่เป็นแต่ไม่มีปัญหาอะไรหรอกถ้ามันเป็นแล้วเราก็ต้องแก้ไขอย่างนี้เพราะว่าการปฏิบัติธรรมต้องทำจริงท่านทั้งหลายอต้องขึ้นแข็งขึ้นเรื่อยๆเพราะเราอย่าลืมนะว่าทางเดินในชีวิตของเรายังไกลยอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะยังไกลอยู่แต่บางท่านก็อาจจะใกล้ก็ได้ใกล้มากใกล้ผลใกล้พระนิพพานามาแล้วล่ะ แต่ถ้าเรามองเห็นว่าโอ้ยมรคนิพพานอยู่ที่ไหนท้าวเจ้าไม่รู้เลยถ้ามันยังไม่รู้อยู่อย่างนี้ท่านจะนิ่งนอนใจไม่ได้ต้องก้าวเดินเราทุกทางถึงเราจะเดินช้าแต่เราก็เดินไม่หยุดยังดีกว่าบุคคลที่ไม่เดินเลยนคนที่นอนอยู่ท่านบอกว่าดีคนที่นั่งคนที่ตื่นแล้วดีกว่าคนที่นอนอยู่คนที่นั่งแล้วดีกว่าบุคคลตื่นอยู่แล้ว ตื่นแล้วแต่ว่าเราไม่ยอมลุกเนี่ยฮะไม่ยอมลุกอ่ไม่ยอมลุกแต่คนที่นั่งอยู่นี่ดีกว่าคนที่นอนอยู่แต่ว่าตื่นแล้วล่ะแต่จะไม่ลุกแต่คนที่นั่งอยู่ท <Seriously. S 2> ี่นี่ไม่ยอมลุกดีกว่าบุคคลเอายังสู้บุคคลที่เขายืนอยู่ไม่ได้อ่าสู้เขายืนอยู่ไม่ได้บุคคลที่ยืนอยู่ยังสู้บุคคลที่เดินไปแล้วไม่ได้บุคคลที่เดินไปแล้วยังสู้บุคคลที่ไปถึงแล้วไม่ได้ฮะ เาเาลองคิดตัวที่ทำทั้งหลายนะสมเวลานอนหลับหมือนไม้ก็ว่าไม้ถึงแบบทนว่านอนหลับนี่หมายถึงว่าจิตของเราเนี่เร่วมหลงอยู่ในอวิชชาพวกอวิชชาคือความไม่รู้จริงครอบงาแล้วเปียบเหมือนคนนอนไม่ตื่นถ้านอนเราธรรมดาเรานอนยังตื่นนะฮะนอนธรรมดาเนี่ยเรายังมีเวลาตื่นเวลาอะไรแต่ว่าอวิชชาก็ครอบงาจิตใจความไม่รู้ก็ครอบงาจิตใจแล้วเหมือนคนนอนไม่ตื่นเลยครับ อเป็นเจ้าชานิทาต่อาหญิงนิทาอนิทาไปเลยอะไรทำนองนี่ยแต่บุคคลตื่นแล้วแต่ว่าไม่ยอมลุกนั่งเบนสว่ารู้แล้วละ่ะแต่ผิดหยัดจักคิดอยัดปฏิบัติรู้ไม่ใช่ไม่รู้ฟังเทปทุกวันฟังวิทยุทุกวันแต่ยังไม่พร้อมที่จะปฏิบัตินั่งเปรียบเหมือนพูะโอรวยานั่งแล้วละ่ะแต่ว่ายังยังไม่ปฏิบัติอ่าถ้าผู้ยืนอยู่ก็หมายความปฏิบัติแล้ว แต่ว่ามันยังน้อยหน่อยังไม่เต็มที่ศรัทธายังไม่สมบุญเต็มที่แต่ยังผู้บุคคลที่เขาเดินไปไม่ได้เดินไปมากกะว่าตอนนี้เราปฏิบัติแล้วศีลไม่มีก็มีศีลแล้วอ่าสมาธิไม่มีก็ทำกำลังเจริญอยู่แล้วอ่าไม่หยุดไม่ยั้งไม่ลดไม่ละได้การที่จะอ่าสร้างสร้างจิตให้พองเราให้เป็นสมาธิเพื่อให้สงบระ ง, งับดับจากนิวนณธรรมทั้งหลายเรามีความตั้งใจอยู่แล้ว กําลังทําอยู่แล้วขณะที่เราปฏิบัติเหมือนมันเดินอยู่แล้วนี่เดินไปแล้วแต่ผู้ปฏิบัติที่ถึงแล้วมายถึงว่าผู้เข้าใจหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาที่เราเจริญมานี้เป็นลักษณะอย่างนี้เราได้เดินมาแล้วเดินตามมาแล้วจนเห็นมรรคจนเห็นผลขึ้นมาแล้วถ้าเป็นการรับประทานอาหารอย่างอิ่มแล้วรู้จักรู้จักชาติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเข้าใจหมดทุกอย่างแล้วอันนั้นอรรถผลนันตีที่สุด เพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราเป็นผู้นอนอยู่หรือว่าเป็นผู้ลุกขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วตื่นมาแล้วเรานั่งอยู่อะไรกับไล่กันไปอตามเป็นๆค่าๆเป็นปัญหาสอนใจเรา่เฉยว่าเราจะอยู่ในลักษณะอย่างไรเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมจึงถือว่าเป็นการปฏิบัติชีวิต จ, จิตใจของเราให้มีความก้าวหน้าไปเรื่อยๆเหมือนเดินไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ยั้งเดินด้วยสติจเจริญด้วยปัญญาของพวกเราอย่าหยุดในสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในอิริบิดใด อยู่หาสถานการณ์นนที่ใหญ่แม้จะพูดจาปารไซสนทนาปารไซกันเอาแล้วแต่เราต้องพยายามให้เป็นเรื่องของสิ่งที่จะทําให้เราพระจาก็ใหเป็นธรรมจิตใจก็ต้องให้เป็นธรรม่าเมื่อทำประทับอยู่ในดวงใจแลว้วท่านทั้งหลายสิ่งอื่นนั้นไม่มีปัญหาสักอย่างเลยรับรองแน่นอนไม่ต้องสงสัยพุกที่เคยมีก็ลดอิเลชเทเลเธอมามันก็กลัดไปแล้วมันไม่มีอะไรจะเข้ามาสู่ กำลังของธรรมะคือคําสอนของพุทธเจ้าได้ไม่มีกําลังอะไรจะยิ่งใหญ่ไปเท่ากับกําลังธรรมในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นพระนารายหรือว่าพระอะไรก็แล้วแต่ที่เราว่ามีกําลังอย่างมากมายมหาศาลแต่ก็ยังแพ้กําลังธรรมคาสอนของพุทธเจ้าอกําลังธรรมนี่เรียกว่ามีกําลังเนื้อสิ่งที่มีกําลังถ้าเป็นสิ่งที่คมก็เลยว่าคมยิ่งกว่าสิ่งที่คมที่สุดในโลกนี้ ถ้าเป็นสิ่งที่แหลมก็แหลมยิ่งกว่าสิ่งที่แหลมที่สุดในโลกนี่ไม่มีอะไรจะแหลมเท่าไม่มีอะไรจะคมเท่าไม่มีอะไรจะมีกําลังเท่าจะทำพระพุทธเจ้าถ้านั้นจะชนะทุกอย่างเลยอมีอะไรบ้างชนะทุกอย่างในโลกนี้ไม่มีไม่ว่าจะเป็นคําพูดคาสอนแบบไหนก็นแล้วแต่ถ้าไม่ใช่สัตว์จะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆดั ง, ง, ง, งๆแล้วไม่มีอะไรเลยจะชนะพวกเขาได้ ท่านทั้งหลายลองสังเกตดูก็ได้เอาเหตุได้ผลความคิดอะไรความนึกหรือต้องอะไรต้องให้เป็นไปตามเหตุได้ผลเป็นไปตามในสิ่งที่จะมีปัญญาพิจารณาแล้วให้มีเหตุมีผลในทางที่ถูกที่ต้องขึ้นมาเราลองมาพิจารณาดูสิว่ามีอะไรบ้างสามารถเอาชนะกิเลสได้มีไหมอ่าบ้าน ง, งามๆราคาเป็นร้อยล้านก็ยังชนะกิเลสไม่ได้ยี่ไม่ดีเป็นเพิ่มพูนกิเลสขึ้นมาด้วย เราจะมีอะไรเป็นอะไรก็แล้วแต่ในโลกนี้นะมีเป็นสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่อยู่ใต้อํานาจของกิเลสตัณหาแต่เรามีสิลมีธรรมนี่นะเป็นสิ่งที่อยู่เหนือกิเลสตัณหาเหนือทุกทุกสิ่งอย่างไม่มีสิ่งใดจะเหนือสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราจะมาปฏิบัติตัวเองให้อยู่เหนือทุกสิ่งอย่างเราก็ต้องทิ้งสินทิ้งธรรมไม่ได้ถึงว่าดวงใจของเราให้มีแต่สินธรรมเต็มเปี่ยมล้นบริบูรณ์ไม่ว่าเราจะคิดเรื่องใดต้องน้อมจิตของเรามา อให้มีนิสนสัมมากรณังไสโยไสโครวนให้ดีเสียก่อนว่าที่เรากําลังคิดอยู่นี้เป็นเรื่องของขุนธรรมไหมเป็นเรื่องของศิลของธรรมไหมเป็นเรื่องที่จะทําให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นไหมหรือว่าเป็นเรื่องที่จะทําให้เราวุ่นวายลงไปเรื่อยๆท่านทั้งหลายอย่าลืมนะอย่าลืมคิดในเรื่องนี้เมื่อเรามีความตรึกตรองสมเรียดในใจของเรา พิจารณาอยู่อย่างนี้สิ่งใดที่นี่ถ้าหากว่าเราจะพูดคิดทําออกไปนั้นเมื่อเราตรีจองดูแล้วถ้ามันไม่มีเหตุผลในทางที่ถูกต้องละสิท่านละละวางซะเดี๋ยวบอกหัดจนเป็นนิสยัยละวางว่างสิ่งที่ไม่ดีละ ว, วา ง, ส, งวสิ่งที่ไม่ดีออกจากใจของเราซะโปร่งซะวางซะออย่าไปยึดมันไว้มากอย่าไปถือไว้มากอเรายึดมากกว่าทุกมากยึดน้อยกว่าทุกน้อยไม่ยึดก็ไม่ทุกแหม นะเมื่อเราหัดจิตใจของเราเป็นอย่างนี้ทันทั้งหลายความสงบมันเกิดขึ้นในดวงใจของเราอานิกะสมาธิเกิดขึ้นอุปจารสมาธิเกิดขึ้นอัปปนาสมาธิเกิดขึ้นฮะจิตใจของเราเป็นจิตใจของผู้ใหญ่แล้วแต่ยังมีสิ่งหนึ่งอีกทันทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัติถึงอัปปนาสมาธิหรืออัปปนาฌาจิตเป็นหนึ่งแล้วมันมีอีกดวงหนึ่งที่จะเพี้ยเศษขึ้นกว่านี้สามารถที่จะบรรดาลเกิดขึ้นในดวงใจของทันทั้งหลาย เรื่องนี้ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติปฏิบัติเองรู้เองเห็นเองแล้วจะแจ้งไปเองไม่ต้องบอกกันมากถ้าบอกกันมากหรืม่เมื่อไหร่มันจะถึงตัวนั้นนอเมื่อไหร่มันจะถึงตัวนั้นนอจะเอาให้ได้ผลสุดท้ายจะเอาเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหยจะเอาเท่าไหร่มันยิ่งหนีไปอ่าเพราะปฏิบัติเพื่อให้ลดความอยากละความอยากแต่เราไปอยากอยากได้น่น อ, อยากได้นี่อยากเห็โ น, นู่นเห็นนี่มันไม่ได้แล้วท่านทั้ ง, งหลายมันผิดแล้วเดินทางผิดแล้ว ปฏิบัตินี่ไม่อยากหรอกไม่อยากแต่แล้วปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆทําของเราไปเรื่อยๆละทำปฏิบัติเพื่อให้ลดความอยากละความอยากผู้อยากผลทุกข์ก็ให้อย่าอยากมากอยากขี้เกียจมากอยากขี้โกรธมากอยากขี้อิจฉามากอย่าขี้ขิงขี้หวงมากเนี่ยถ้าเราอยากผลทุกข์ทันทายต้องละสิ่งเหล่านี้ไปอย่าให้มันมีอยู่ในดวงใจของเราอย่าไปเลี้ยงมันไว้มาก เราเลี้ยงมาหลายภพหลายชาติแล้วละมันบ้างเป็นใบายามันบ้างอย่าไปอยู่กับมันนานจนเกินไปใหญ่เขามาอยู่กับเรานานจนเกินไปเอาไหมอาวัาชาตินี้ข้าพาเจ้าขอเป็นชาติสุดท้ายของข้าพเจ้าทุ่มเทนะที่นี่นะถ้าเราจะเป็นชาติสุดท้ายเราต้องทุ่มเททุกอยาก่างไม่ว่าเป็นกําลังกายเป็นกําลังใจทุกอย่างไม่ว่าทําอะไรทุกอย่างอยู่ต้องอยู่ในกรอบสิ่งกรอบธรรมอยู่ในอินทรีย์สังวร สัมรวมอยู่ในอินทรีย์ของเราตลอดเวลาอินทรีย์แปลว่าความเป็นใหญ่ก็ได้อ่าแปลว่าความเป็นใหญ่ก็ได้อ่าสัมรวมในทางตาหูจมูกลิ้นใจใจอ่าหัดเป็นคนไม่ยินรียินดียินร้ายในเวลารูปเสียงอ่ากระทบจารูปเสียงจินดรดผลตภะธรรมลมนี่ที่มันเกิดขึ้นทางกายวาจาใจของเราเวลามันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สัมเนียธในใจของเราไปทำยังไงเราจะไม่ยินดีในสิ่งเหล่านี้ แล้วทำยังไงเราจะไม่ยินร้ายในสิ่งเหล่านี้พราะความยินดีกว่าเป็นทุกข์ความยินร้ายกว่าเป็นทุกข์เราทำไงเราจะทําจิตของเราไมา่ให้สุขในทุกข์ให้อยู่เป็นกลางๆางถ้าจิตมีสติมีปัญญาจิตก็อยู่กลางๆไม่ต้องเอาอะไรมาเป็นเครื่องพิสูจน์ในขณะใดสติสมบูรณ์ได้มีสติสมบูรณ์คุ้มครองจิตอยู่แล้วมีปัญญาสมบูรณ์แล้วนั่นแหละจิตของเราอยู่กลางกลางแล้วไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวา ไม่ดีไม่ร้ายไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่มัวเมาในสิ่งใดๆทั้งนั้นติ่งเป็นจิตนั้นเป็นกลางกลางเนี่ยเรียกว่า ก, การสํารวมของเราแต่ตาของเราดูไม่ใช่ไม่ให้ดูอ่าดูด้วยตาฟังด้วยหูดูด้วยตาพิจารณาด้วยใจเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนําจะรวมลงไปสู่ที่จิตใจของพวกเรารูปเข้าตาก็ไปรวมอยู่ที่จิตของเราเสียงเข้าหูกลิ่นเข้าจมูกรส เข้าทางเล่นกายสัมผัสใจรู้ธรรมะรวมก็ไปรวมอยู่ที่ใจของจุดส่วนรวมศูนย์รวมเขอยู่ที่นั่นจุดอันยิ่งใหญ่เขาหยุดเราอยู่ที่นั่นหรือเราจะเรียกว่าออฟฟิศการทํางานของเรามาหยุ่ที่นั่นมีเรื่องอะไรอะไรเอามารวมกันที่นั่นน่ะทํางานกันที่นั่นพิจารณากันที่นั่นให้มันรู้ที่นั่นให้เข้าใจที่นั่นพิจตรงดวงจิตของพวกเราและต้องรู้ความสําคัญมันอยู่จุดนี้พอเรารู้ว่าความสําคัญอยู่จุดนี้เวลาเราปฏิบัติไปต้องทำหนึ่งถึงกระจิตคือธาตุรู้ตัวนี้บ่อยๆ สุขทุกเกิดอยู่ที่นี่ไม่สุขไม่ทุ ก, กเกิดอยู่ที่นี่เราจะสํารวมกันอยู่ที่นี่เอาสติคุ้มครองไว้รักษาวา่าย่าให้ไหลไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนแต่ก่อนๆที่ผ่านมาเดี๋ยวนี้คนเราที่ผ่านมานั้นเราสังเกตดูที่ทันทั้งห ล, หลายหลักการที่ที่เราฝันผ่านมาเราเคยรู้เลยเข้าใจกันไหมว่าทําไมที่นี่จิตใจของเราเหมือนกับพูดง่ายๆมันคุมไม่อยู่นะฮะถ้ารู้ว่าสิ่งนี้มันไม่ดีแล้วก็คุมไม่อยู่ ที่จริงเราไม่ได้คุ ม, ม, คมหลักฮะเราไม่ได้คุมจริงๆเราไม่ได้เอาสติเอาปัญญามาคุมจริงๆเรารู้เพียงแค่สัญญาเท่านั้นเมื่อรู้แค่เพียงสัญญาเท่านั้นอ่ะสัญญามันจะไปช่วยอะไสัญญาตัวเสิมอยู่แล้วอืมตัวจําได้ไม่รู้ตัวนี้มันตัวเ er สริมให้ความปรุงแต่งมันทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วแต่เราไอ้รู้มันอยู่รู้รู้แต่สัญญาไม่ใช่응 Kid, รู้ด้วยปัญญาแล้วก็ควบคุมตัวเองไม่อยู่ทีนี้ก็ต้องทาตามปั๊ม เรียกร้องของทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นพูดตามความเรียกร้องของทุกอย่างที่มันเกิดคิดไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นความเรียกร้องของสิ่งที่เกิดขึ้นนั่ น, นใจของเรามันก็เลยไปไม่รอดอกันทั้งหลายเมันก็พ้นทุกข์ไม่ได้เพราะเราไม่ได้แสวงหาความพ้นทุกข์มีแต่แสวงหาความเพิ่ ม, มทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือว่าใช่ครับว่ามันไปไม่รอดมันก็จอดอยู่ตรงนี้แต่ข้ามไปฝั่งโน้นคือปฏิพานธ ว, ว่าที่พ้นทุกข์นั้นมันไปไม่ได้ นะเพราะการกระ ท, ทําของเราไม่ถูกต้องฉะนั้นบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจมาประพฤติธทำปฏิบัติทำกันเพื่อมาสร้างความถูกต้องให้มันบังเกิดขึ้นในดวงใจของพวกเราไม่ใช่มาเพื่ออย่างอื่นนะฮะให้ทําความเข้าใจแต่ไม่ใช่เราทําเฉพาะอยู่ในที่นี้ด้วยอยู่ที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่เลือกกันรละเวลาสถานที่ดังที่กล่าวมายิ่งจะไปบ้านของเราท่านทหลายิ่งทํามากยิ่งทํามาก เราไปอยู่กับความวุ่นวายมากตามโลกเขาสมมติที่นี่ยเรายิ่งได้ทํามากอ่าเราจะไปอย่าไปพูดว่าโอ้ยเอแม่ไปอยู่วัดนะไม่วุ่นวายเหมือนที่นี่ปฏิบัติธรรมได้ดีจังเลยไม่จริงไม่จริงถ้าเราปฏิบัติที่นี่ได้จริงๆรินะกลับไปบ้านก็ได้จริงๆถ้าเราไม่มีจริงอยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ไม่จริงถ้าจริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนก็จริงแต่จะทําอย่างนั้น อยากใจตัวมีอยู่อย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยฮะเมื่อเราทําได้ที่นี่ไปที่อื่นแล้วก็ทําได้เนีย่ยนักปฏิบัติบางทีก็โอ้ไปบ้านมันวุ่นบ้านวุน่นวายไปวัดดีกว่ า, าอย่าลืมนะท่านทั้งหลายท่านสังเกตดูเถอะความวุน่นวายมีอยู่ทุกสถานที่มีอยู่ทุกสถานที่แต่ความสงบนั้นก็มีอยู่ทุกสถานที่เมื่อเราทำํำความเข้าใจแล้วเราถือว่าเราไปบางทาง การปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยมันเหมือนกับนักลบนะฮะต้องกระเทนน้ำสะทนบกทุกอย่างสามารถทําความสงบในความวุ่นวายได้สามารถหาความสุขในความทุกข์ได้อืมสามารถหาความสงบในความวุ่นวายได้ทัานทั้งหลายถ้าเราเป็นนักปฏิบัติที่ดีนะเพราะฉะนั้นไปที่ไหนมันก็ไม่มีทุกมีภัยแล้วทีเนี้่เมื่อเราปฏิบัติได้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติไม่ท่ได้ก็ติไปเรื่อยเตี้ยนไปเรื่อย สิเทียนว่ากล่าวไปจำอิเลสมันเรียกร้องหรือมันพาพูดพาธรำนั่นอันนั้นการที่สิเตียนไปเรื่อยๆคือการเราไม่ได้ดูตัวเองเราไปมองว่าโอ้ยถ้าฉันไม่มีลูกคงไม่บุญไว้ฉันไม่มีสามีภรรยาคงไม่บุญไว้อย่างนี้ไม่จริงหลักทั้งหลายนายเจนสิ่งที่เรากําลังมีมกําลังเป็นเขากําลังสอนเราอยู่หัวนั่นแหละครูใหญ่ที่สุดครูกําลังสอนเราทุกวันทุกวันอ่าเหมือนใจของเราเนี่ใจของเราก็สอนเราทุกวัน สิ่งแวดล้อมอยู่ใกล้ๆเรามันก็สอนเราทุกวันเป็นครูสอนเราทุกวันถ้าเราเรียนรู้จริงๆลูกของเราหลานของเราสามีภรรยาของเราเพื่อนฝูงของเราคนร่วมงานร่วมการของเรานั่นคือครูกําลังสอนเราอยู่พระพุทธเจ้าไม่ได้ไปฝึกที่อื่นนะฝึกอยู่กับสิ่งแวดล้อมพอเรามองตรงนั้นปุ๊บดึงขบมาหาตดวงจิตของเราปราจิตของเราแผล้ลรือชนะตรง น, นี้หลงลักหลงชังหรือว่ามันเฉยเฉย เรามีสติมีปัญญาไหมเมื่อสิ่ ง, งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วสามารถเอาชนะมันได้ไหมถ้าไม่ชนะได้เราไปโทษใครไปโทษสิ่งแวดล้อมไหมคนเราก็มกกักจะโทษสิ่งแวดล้อมดังที่กล่าวมาไม่ถูกต้องเลยท่านทั้งหลายนั่นแสดงว่านักปฏิบัติยังไม่มีปัญญาผู้มีปัญญาแล้วก็จะไม่ไปติเตียนในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆเราเร า, เาสนและเสริญด้วยเหมือนอย่างเนี้ถ้ามีคนหนึ่งมาตักเตือนว่ากล่าวเราอย่างนี้ คุณทําไม่ถูกนั้นี่นะทําอย่างนี้นะถ้าเราโกรธแสดงว่าเรามีแต่อวิชชาไม่มีปัญญาเลยทาทั้งที่คนติเตียนว่าเก่าวของเรานั่นตักเตือนว่าเก่าแล้วนั่นนัน่ะเข้ากําลังชี้ขุมทัพให้แก่เราเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราบอกว่าผู้ที่กําลังบอกเก่าวตักเตือนเราอยู่นั่นคือผู้ชี้ขุมทัพให้แก่เราผู้เขากําลังสอนเราอยู่เราจะได้กลับมาสํารวจตรวจดูความบกพร่องของเราการกระทําของเรามันสมบูรณ์หรวันบกพร่อง นั่นเป็นครูสอนเราแต่เราไปโกรธให้ครูไปโกรธให้ครูไม่พอใจดีไม่ดีดก็หาจากเสือกนะเรื่องใครของมันเนะี่ยอ่าไปอีกแล้วเขาเลยไปตรงนู้นดเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เรื่องของเธอนะเรื่งของฉันวะแล้วก็ยิ่งอ่าเราจะว่าไงใช้คำว่าต่ําลงไปเรื่อยๆกันแนละ้วกันฮะอ่าไม่อยากพูดทํำหนักๆมันก็ต่ําลงไปเรื่อยๆเนี่ยต่ำแล้วยังไม่พอต่ําลงไปเรื่อยๆเพราะเราแพ้เขาอ่า จริงไหมท่านผู้ฟังทั้งหลายลองสารวจตรวจดูใจของเราเมื่อเราไปโกรธให้เด็กเนี่ยไปโกรธให้สุนัขที่เลี้ยงไว้ว่ามันดื้อไปโกรธให้เด็กตัวเล็กๆอย่างนี้ว่ามันร้องไห้มันอ้อนเราฉลาดพออย่างแสดงว่าจิตของเราโง่วกว่าสุนัขเรานั่นโง่วกว่าไอ้เด็กเหล่านั้นอีกไปโกรธให้เด็กไม่รู้เดียงสาไปโกรธให้สัตว์เลร้ยฉาดนี่มันไม่รู้เดียงสาแต่ว่าเราว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะ้ไล่ตีสุนัข克拉วัดอย่างนี้นะฮะอ่า หน้าตาบึ้งใส่ลูกบึ้งใส่ลูกไป่ผัวใส่สาวมีภรรยาเนี่ยใส่คนอื่นอยูงไงเราเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงไหมเราตัวเองไม่เย็นเลยยังร้อนอยู่ตลอดเวลาปัญญาไม่เกิดปัญญาไหถ้าปัญญาเกิดแล้วท่านทั้งหลายอาจจะมาได้กล่าวแล้วเมื่อกี้ว่าเราสามารถที่จะค้นหาความเย็นในความร้อนได้หาความสงบในความวุ่นไวายได้หาความสุขในความทุกข์ได้ ทุกมากเท่าไรยิ่งทุกมากเท่านั้นวุ่นวายมากเท่าไรยิ่งสงบมากเท่านั้นร้อนมากเท่าไรยิ่งเย็นมากเท่านั้นอยู่ในหวงเขาเองแน่นอนเลยท่านทั้งหลายเห็นไหมพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ปฏิบัติพระองค์ไหนร้อนขนาดไหนทุกขนาดไหนท่านทั้งหลายลําบากขนาดไหนยากเย็นขนาดไหนกว่าพระองค์จะได้เห็นความสุขจริงๆจะได้เห็นความเย็นจริงๆ จะเห็นความสงบจริงๆไม่ใช่สงบปลอมๆนะสงบจริงๆอะสงบใจบจิตเลสติหาจริงๆเรา อ, อง์กับค้นหาไอ้สิ่งที่มันกำมันวุ่นวายนะสิ่งที่มันเดือดร้อนที่สุดนี่แหละมาจะไปหาที่อือ่นครับพระพุทธเจาก็ตัดไปแล้วผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นทามผู้ใดเห็นทามผู้นั้นเห็นเราจะท้าโคตรแต่ว่าคนเราพอทุกข์หน่อยไม่เอาอ๋อไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วจะมาหาความสุขแต่มันเป็นทุกข์แต่พระพุทธเจ้าให้พิจารณา โกเป็นตัวที่สอนเราติงแวดแล้อมที่แก้รงตัวสอนเราอ่าปฏิบัติธรรมะจึงไม่มองออกไปไกลตัวเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมองกลับมาสู่กายของเรามองเข้ามาสู่ดวงใจของเราแต่มาซึ่งได้พูดไปในช่วงเด้งว่าเราต้องพิจารณารู้ทางภายนอกภายในภายนอกหมายถึงกายของพวกเราภายในเหมือนดวงจิตดวงใจของเราที่กําลังเคลื่อนไหว ไปตามอารมณ์ที่เกิดขึ้นทางกายของเรากำลังเคลื่อนไหวไปกับทุกขวเวทนาที่กำลังเกิดขึ้นแต่ว่าการเคลื่อนไหวของพวกเรานั้นการที่เราดูอย่างนี้ไม่ใช่เราดูเราจะเพื่อให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจไม่ใช่อย่างนั้นเหมือนพวกเรานั่งไปนานๆมันเจ็บมันปวดอย่างนี้นะโอ้ยมันเจ็บมากเลยนั่งท่านี่เดี๋ยวเปลี่ยนท่านี้สักหน่อยมันจะได้มีความสุขดีให้ขาดผลตรงนั้นแหละ เมื่อเราหนีทุกข์จะมาเอาสุกเหลือคาทุนทั้งนั้นอย่าไปคิดว่าเรามีกําลังใจพอนะยงัยงยงังยังยังกลังใจยังไม่พอเลยแต่การที่เราพลิกแปลงเปลี่ยนเอียบนั้นถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นการฝึกสติของเราให้มรู้เท่าเอาทันความเปลี่ยนแปลงของสังขารถ้ามันทุกข์มาจากไหนมันมาจากความไม่เที่ยงเรานั่งนานๆไปก็ทุกข์ เวลาเราพลิกมาใจมาทั้งนี้ไม่ใช่เพื่ออะไรเพื่อจะไปรู้ความเปลี่ยนแปลงขงมันเมื่อมันทนไม่ไหวจริงๆแล้วก็ต้องพิกมาแต่ว่าเราไม่ได้ไปติดใจในสิ่งที่เราพริกมาไม่ได้ทีจ่จะโอ้ย่างนี้เขายังชั่วหน่อยแม่เมื่อนี้เกลือเป็ดเลยเมื่อนี้กระดูกรันพุ้อพุแล้วพลิกมาก็ยังชั่วหน่อยไม่ใช่ดีใจพอใจแล้วไปอีกแล้วความสงบหายแ๊บไปแล้วอหายเงียบไปอีกแล้ว แล้วก็ติดตุกแล้วทีนั่งไปกระแจวเรือไปโงกไปงกมาโงกมาโงกไปแล้วทีมันติดตกมีปัจจุบุประจิะเลทเข้าครอบแล้วทนเนี่ยนะเล่นงานแล้วนะแต่วเวลาทุกทุกรู้สึกมันดีนะมันดีหรอกอะไรขึ้นมาก็รู้อะไรขึ้นมาก็รู้รู้รู้แต่ถ้าเราเอาชนะมันจริงๆมันก็ผ่านไปได้เดี๋ยว่าสอบผ่านสิ่งใดถ้าเกิดขึ้นแล้วมันไม่ดับนั้นมันมีไฟที่เราก่อขึ้นนี่ท่านทั้งหลาย มันไม่หมดเชื้อไม่มีหล้กแต่ไฟไม่หมดเชื้อเพราะเราป้อนฟืนเข้ามันไปเรื่อยๆเราป้อนฟืนเข้าไปเรื่อย ๆ, ออยๆมันจะไม่หมดเชื้อได้ยังไงเวลาเราปฏิบัติไปเหมือนกันมันปวดไม่หยุดมันเป็นไปไม่ได้แต่อัมันไม่หยุดเพราะอ๋อขาเราก้นเราเอวเราเนี่ยนะป้อนฟืนป้อนเชื้อเข้าไปเรื่อยอะไรก็ของเราของเราอยู่นนะทั้งที่พระเจ้าไม่ใช่ของเราเราก็ไปว่าเป็นของเรานะ่ะ ทุกไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่ทุกทุกไม่ใช่เราเราก็จะไปเอาของเรามาเรื่อยๆมันเป็นของเราอยู่งั้นแล้วมันจะไปพ้นกันได้ยังไงปีทั้งปีกอขาเราแข้งเราเอวเราหลังเราหัวเราอะไรทุกอย่างก็เป็นของเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเราไปคิดอย่างนี้ก็ขาดทุนไม่ใช่ได้กำไรหรอกก็เป็นของเราเราก็เวียนว่าใจเกิดอยู่ในนั้นเป็นของเราต้องพ้นต้องฉันจะหนีไปไหนได้พระพุทธเจ้าสอนว่ากายไม่ใช่เราใจก็ไม่ใช่เรา ไม่มีอะไรเป็นของเราเนี่พระพุทธเจ้าเห็นกฎของเขาคืออนิจจังทุกขงกังอนัตตา ย, ยกขึ้นมาพิจารณาดูเถจะเอาอนิจจังก็ได้ถ้าเอานิจจังก็ตัดสั ก, กะยะทิฐิได้ไวจะไม่เห็นว่าเป็นกายของเราไม่เห็นว่าเป็นายของเราได้ละสั ก, กะยะทิฏฐิไปที่เราเคยหลงว่าเออเป็นกายของเราอย่างนั้นอย่างนี้ลองเรายกจิตขึ้นมาสู่อนิจจังดูเถอะใจรักตะนัยามเกิดขึ้นให้เห็นเป็นอนิจจัง เอาอันนี้จังเป็นอารมณ์ไปตลอดเวลามันปวดมันก็มาจากอันนี้จังมันดับไปมันก็เป็นอนี้จังความไม่เที่ยงไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอนัตตาไปพิจารณาอยู่ในวงธรรมคําสอนพุทธเจ้าที่ท่านทั้งหลายรับรองไม่ทุกแน่ที่ไม่ทุกเพราะไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้พิจารณาอย่างนี้ตางที่กล่าวการพิจารณาธรรมพอเราจะพิจารณาไปหน่อยจิตใจขกำลังก็ถอยไม่อยากเอาแล้วอ่าถ้าคิดอย่างอื่นคิดทั้งวันได้ฉันชอบ ชอบตร้งไหนก็ได้ทางนั้นนั่นแหะทีนี้เรามาเตือนใจเรามากลับใหม่ท่านทั้งหลายเรียกว่ามาหงายของที่ปั้มอยู่นั่นเออ่มาเปิดของที่ปิดไว้บ้าหงายที่ของปั้มอยู่นั่นให้ขึ้นมาเท่านีหงายขึ้นมาดูแต่ก่อนแล้วหลงแล้วหลงเหมือนกับมันปั้มอยู่นะไม่รู้เรื่องอะไรตอนนี้เรามาหงายขึ้นดูไหมหงายขึ้นมาคือมาพิจารณาดูมันรู้ให้มันมเข้าใจแจ่มแจ้งในรูปประทานนามธาตุอันนี้ รูปธรรมนามารมอันนี้ให้เห็นตามคําสอนพระพุทธเจ้านะ่ะพระภาคเทศได้ฟังบรรลุกิจองกเทศทําเดียวกันนี่อ น, นิจังทุขังนาตาณโยมนะแล้วก็มีแต่ฟังกันไปภาคเทศกันไปมันก็ได้แค่นั้นทาพูดจะ ด, ด, ดีแต่ดีเลิศแสนเลิศเกิดจากปันใดถ้าไม่มีใครนํามาปฏิบัติทาพูดนั้นก็ไร้ค่าเหมือนยาจะวิเศษขนาดไหนถ้าเราไปอ่านแต่ฝอยยาเนะ่ไปฟังแต่เขาอ่านฝอยยาให้ฟัง จะให้โรคภัยไข้เจ็บหายมันเป็นภัยไม่ได้แร้วมันเป็นไปไม่ได้ผิไไดธรรมชาติมันโรคภัยไข้เจ็บจะหายได้ไมันต้องกินยาอต้องรับประทานยาเข้าไปจึงจะหายได้ทโพูดที่พระพุทธเจ้าของเราตรัสไว้คําสอนที่ดีที่เลิศ ท, ที่ประเสริฐกว่าสิ่งใดๆจะดีขึ้นได้ก็ต้องอยู่ที่การปฏิบัติของพวกเราเมื่อเรานํามาปฏิบัติแล้วเข้าใจแล้วได้ผลแล้วด้านละท่านทั้งหลายคุณค่ามันอยู่ที่ตรงนี้ ราคามันอยู่ที่ตรงนี้แ่ะไม่ใช่อยู่ตรงไหนจึงอยากจะขอฝากท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้นํามาเป็นเครื่องพิณิพิจารณาดูว่าการกระทําของเรานันปฏิบัติของธรรมของเรานั้นไปได้แค่ไหนเพราะเราได้มาพบครูบาอาจารย์อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณของเราเนี่ยเจ้าคุณภาวนาอ่าพิสารเทระอะไรอย่างนี้หลวงพ่อมหาธวารแล้วเนี้ย ท่านเป็นผู้นําที่ดีแล้วถ้าเรียกว่าพวกเราลงเรือกับท่านท่านเป็นผู้ที่จับหางเสือที่จะประคับประคองเรือให้ถึงฝั่งโนนได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่พวกเราต้องร่วมใจสมมุติเราลงเรือลําหนึ่งอย่างนี้นะฮะผู้ขับเรือดีหรอกแต่ว่าพวกเราเนี่ไปทะเลาะกันในเรือเรียกเรือกันลมได้เหมือนกันนะฮะมันไปไม่ได้เหมือนกันไปไม่ได้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็ไม่ใช่ อุปมาไปอย่างอื่นอุปมาประมาณเหมือนว่าเราลงเรือลาเดียวกันกับท่านท่านสอนให้ปฏิบัติอย่างนี้นะแล้วต้องปฏิบัติอย่างนี้สอนให้ทำใจอย่างนี้นะเราต้องทำใจอย่างนี้วันยังทำไม่ได้วันนี้เราต้องใช้ความพยายามบอกเลยว่าความพยายามเราอยู่ที่ไหนความปักไฝทางใจลราไปทางไหนมากจะมาทางนั้นท่านทั้งหลายธรรมะพุทธเจ้าถ้าจะปูพูดว่าดีขนาดไหนเลิศขนาดไหน ไม่มีใครสามารถจะอุปมาประมัยได้เหมือนกับนักปราชญ์ท่านบอกว่าเราจะเอาทองฟ้ามาเป็นการดาษเอาน้ามหาสมุทรมาเป็นน้ำหมึกเอาเขาพระสมเม็มาเป็นปากกามาจดจารึกพรรณนาคุณพ่อคุณแม่ของเราจนกว่าแม่น้ำมหาสมุทรจะหมดแล้วก็ยังพรรณนาไม่จบไม่สิ้น เราจะมาพันรนาคุณธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าดีเลิศประเสริฐสับปันไดก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งเหล่านี้พันรนาไม่จบทันทั้งหลายเมื่อเรามาเห็นของดีขนาดนี้แล้วถ้าเราไม่เอาไม่ปฏิบัติตามก็ว่าตัวเองก็แล้วกันว่าเราเป็นคนประเภทไหนเมื่อมาเห็นอย่างนี้แล้วไม่เอาเราจะต่างไหมต่างอะไรไหมกับใจที่มันคุยเกีย่ยอาหารไปพบพลอยมเมล็ดหนึ่ง โยนพลอยให้เป็ดโยนเพชรให้ไกย่ยนนินให้วานอนเขาก็ไม่รู้คุณค่าคนเราไม่รู้คุณค่าของธรรมะก็เป็นอย่างนั้นอยู่กับธรรมจะไม่รู้คุณค่าของธรรมไม่รู้คุณค่าของศีลไม่รู้คุณค่าของธรรมก็ไม่ต่างอะไรกับพวกเป็ดไก่ได้เป็ดเพชรเป็ดได้เออได้พอยอะไรจำนองนี่วานอนได้นินอย่างเนี้ยมันก็ไม่รู้ว่ามีคุณค่ามัานบอกโอ๊ยสู้ข้าวสารเพ่อเลีเดียวก็ไม่ได้ ข้าสารดีกว่าดีกว่าเพชรพลอยพวกนี้อ่าอันนี้ก็อุปมาเหมือนกับว่าถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของศีลคุณศีลคุณธรรมแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรเพราะนั่นคุณศีลของธรรมนั้นไม่ใช่อยู่ที่อื่นทีนี้คือเรื่องชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปลืมว่าศีลธรรมอยู่ที่ไหนอยู่กับพระหรือไม่ใช่มาอยู่กับพระมาที่ใดก็ขอศีลขอศีลศีลขอศีลขออยู่เรื่อย ขอไปแล้วทําไมปฏิบัติตามก็เป็นสินขอยอยู่เรื่อยนั่นแหละขอทานยอยู่เรื่อยอย่างนั้นเสียมันไม่สมบูรณ์แบบที่จริงจริงสินจะไม่อยู่ในตัวของเราแล้วไม่ต้องก็ได้เจตนาหางพิกเวสีลังกําบังวะทามิตัวศิลนั่นแหละพิสูุนทังงนท้งหลายเป็นตัวเจตนาเป็นตัวศิลเจตนางดเว้นสิ่งใดๆนั่นคือตัวสินของพวกเราอ่าแต่ว่าการทําอย่างนี้ก็เป็นการฝึกซ้อมดีไม่ใช่ไม่ดีดีอยู่อสําหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจแต่ดีมากๆ แต่ผู้เข้าใจแล้วก็ทําไปก็ไม่เป็นไรเป็นเพียงปฏิกิริยาอ่าแต่อย่าไปเสียใจนะครับโอ้ยวันนี้ฉันไม่ได้ไปรับสินที่วัดใครมาใกล้ไม่ได้เลยวุ่นวะวุ่นวายมาอกว่าฉันไม่ได้ไปรับสินที่วัดไม่ใช่เจตนาตัวเดียวเจตนาตัวมดเวนะคือตัวสินขึ้นมานี่เมื่อเราอยู่ที่ไหนเรามีสินอ่าเรามีทำทำคือการปฏิบัติของพวกเราเหมือนกับภาวนาก็คือเกณฑเจริญสติของพวกเราทำก็คือการปฏิบัติของพวกเรา เมื่อเราปฏิบัติอยู่ไม่หยุดไม่ยัง้งอัจฉริมาจยากจะใช้คําที่ว่าไม่มีขอบเขตที่ว่าไม่มีการละเวลาทําำตลอดเวลาแล้วไม่ต้องกลัวท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่พ้นทุกข์ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้อ่าคุณนัทําไม่รักษาผู้ปฏิบัติธรรมจะไปรักษาใครพระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วทำแล้วย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วผู้ปฏิบัติธรรมดีแล้วทำนั้นจะนําความสุขมาให้แก่เรา พระพุทธเจ้าไม่ได้ว่าจังอื่นนําความสุขมาให้นะผู้ปฏิบัติธรรมดีแล้วทำน่าจะนําความสุขมาให้แก่เราก็คือการกระทําของตนเองไม่ใช่ทำที่ไหนหรอกก็คือตัวของเรานั่นแหละการกระทําของตนเองนั่นแหละไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วทำจะเอานั่นมาให้เราทำจะเอานี้มาให้เราไม่ใช่ตัวธรรมคือตัวปฏิบัติของพวกเราอืมปฏิบัติกิจปฏิบัติใจของพวกเราก็ปฏิบัติง่ายๆไม่ใช่ยากอะไรมากจนเกินกว่าเหตุและก็ไม่ง่ายจนเกินไปอ่า ไม่ใช่ง่ายเกินไปไม่ยายกจนเกินไปอาจมาได้พูดว่าในช่วงหนึ่งอยากขอย้อนอีกนิดหนึ่งว่ะเพื่อเป็นการทำความเข้าใจอย่างนี้ว่าให้เรามีสติรู้เท่าเอาทันความเคลื่อนไหว ท, ทั้งภายนอกและภายในจเจริญเถอะท่านทั้งหลายจเจริญเถอะไม่ว่าเราจะหายใจเข้าเราก็รู้จะพุโทโธก็คือลมหายใจ น, นั้นแหละเราก็กําหนดย้ําลงไปที่พุโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็อยู่ที่ลมหายใจของเราตั้งสติไว้ตรงนั้นไม่ใช่ตั้งสติไว้ที่อืน่น แต่เราเพิ่มคำบริกรรมขึ้นมาเท่านั้นนะถ้าเราเดินไปเดินมากําหนดรู้ก็ได้หรือจะนึกพุทโธอะไรก็ได้แต่ให้มีความมั่นคงอยู่กับอารมณ์นั้นๆโดยไม่ให้จิตใจวันไหวไปถ้าจะไปทางอื่นแล้วก็ดึงมาไว้ตัวนี้จะไปทางอื่นก็รู้เท่าเอาทันดึงมาไว้ดึงมาไว้ดึงมาไว้ขอสามวันเท่านั้นนะสามวันเจ็ดวันเพียงวันเดียวท่านก็รู้แล้วว่าจิตของท่านจะเปลี่ยนแปลง มาใน ล, ลักษณะอย่างไรถ้าเรามีความขยันมั่นคงอยู่กับการภาวนาอย่างนี้การพิจารณาอย่างนี้แน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยกันทั้งหลายว่าจิตใจของท่านจะไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีที่ชอบมันเป็นไปไม่ได้มันต้องมาแน่นอนน่ยขึ้นอยู่การกระทําแสดงว่าที่ว่าทําแลรักษาผู้ปฏิบัติทําให้มันตกในที่ชั่วทําก็คือการกระทําของพวกเราการเจริญสติการเจริญปัญญาของพวกเราไม่ใช่ที่ไหน ไม่ใช่ประโยชน์เฉยแต่ทำจะเกิดขึ้นมาไม่ใช่เกิดขึ้นจากการกระทำท่านบอกทำทำทำฟังทำปฏิบัติทำฟังคือทำไปด้วยปฏิบัติทำคือทำไปด้วยนั่นแหละก็อันเดียวกันแล้วจิตใจของเราปอดโปร่งโล่งสบายมีความมั่นคงไม่ง่อนแงนคลอนแคล น, ภ า, นกกาภายในก็สว่างสว่างไม่ใช่สว่างแบบแสงไฟไม่ใช่แสงสว่างตคือหมายถึงว่า ปัญญาแ rings, สางสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีอืเมื่อปัญญามีขึ้นมามากๆไม่ทุกหรอกจอ ย, อยไม่ทุกสังเกตดูถ้าเราทุกความปัญญาไม่มีเท่านั้นอ่าความทุกข์เข้ามาคร อ, อบงำได้เพราะเราขาดปัญญาถ้าเรามีปัญญาความทุกข์เขมาไม่ได้เงียบหายไปเลยอถ้าเราอยากดับทุกข์จริงๆจังๆจะเริ่สติปัญญาให้สมบูรณนะ์นั่นแหะความทุกข์ก็หมดไปหมดไปวันนี้ก็หมดไปวันหน้าก็หมดไปต่อไปก็หมดไป ผลสุดท้ายเลยเหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆเหี่ยวแห้งไปเรื Total ่อยๆพ้นทุกโดยไม่รู yeah. ้สึกต um ัวเลยก็ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติมันน่ะถ้าเราไม่ไปส่งเสริมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งนั้นมันก็เหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆบนต้นไม้ขาดน้ําขาดปุ๋ยก็เหี่ยวแห้งเฉาไปเรื่อยๆผลสุดท้ายก็ถึงตายไปกิเลตัณหาถ้าเราไม่ส่งเสริมเขาเขาก็เหี่ยวแห้งไปเรื่อยๆเหี่ยวแห้งไปเหี่ยวแห้งไปสุดท้ายเขาก็ตายของเขาเองไปในตัวของธรรมชาติของเขามีอย่างนั้น อ่าใหญ่ไหมพระพุทธเจ้าของเราทำหรือพระรหั้งหลายกิเลสตัญหาจะเรียกร้องอยังไงไม่เคยตามใจเลยไม่เคยเลยบอกว่านอนนะไม่นอนกินนะไม่กินขี้เกียจนะไม่เอาไม่เอาทักอย่างมันจะเรียกร้องมาจางไหนก็ไม่เคยเอาเลยถ้าในทางที่มันไม่ดีแล้วเจริญจะในทางที่ดีทํำจะในทางที่มันตรงกันข้ามไหมว่าเดินสวนทางกันไปเลยกับความเรียกร้องของพวกนั้น ผลสุดท้ายนี่เมื่อเขาเราไม่ยึดมั่นถึงมันในเขาแล้วมันก็เหมือนปล่อยไปวางไปจิตใจของเราก็ว่างจากสิ่งเหล่านี้ไปเรื่อยๆอทุกวันทุกเวลาทีีนจิตใจของเราสมบูรณ์แต่ด้วยคุณศีลคุณธรรมคุณกรรมาฐานไม่มีอย่างอื่นอีกแล้วท่านทั้งหลายผลทุกข์ของเราก็พ้ทุกข์ในปัจจุบันนี่พ้ยากก็พ้นยากในปัจจุบันนี่ไม่ต้องไปคิดเลยแล้วเอเอเมื่อเราจะพ้นทุกข์นาะเราเอาชาติหน้าดีไหมอย่าไปคิดเอาชาตินี้ ไม่มีชาติไหนจะดีเท่ากับชาตินี้ไม่มีเวลาไหนจะดีเท่ากับเวลานี้เวลานี้ดีกว่าทุกเวลาชาตินี้ดีกว่าทุกรบชาติเราจะทำก็ต้องทำเดี๋ยวนี้เวลานี้ชาตินี้ไม่ต้องไปองอรอบผัดวันประกันพรุ่งอการผัดวันประกันพรุ่งไม่ดีนะพระพุทธเจ้าตัดไว้แล้วไม่ดีเลยวันพรุ่งนี้ค่อยทำนะแต่วันพรุ่งนี้ไม่ได้ทาโอ้วันต่อไปค่อยทำนะ ค่อยทไปเรื่อยๆคนจะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรสักอย่างอ่าก็เลยแห่เข้าวัดกันไปเท่า น, นั้นแหละไม่ได้ทำหรอกเอามาเผากันเท่า น, นั้น่แหลมเผาแล้วกี่เท่าก็ไม่เอาหรอกไม่มีอะไรดีสักอย่างแล้วเผาเลยนี่อ่ามันก็แค่นั้นแหะ